บทภาชณีต so ีกะปาจิตตีรยสี่สิอ ah ุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันทำให้ตกใจต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจทำให้ตกใจต้องอบัติปาจิตตีอุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันทำให้ตกใจต้องอบัตปาจิตตีทุกกฎ อุปสามบัญต้องการจะทําให้อนุปสัมบันตกใจจึงนํารูปเสียงกลิ่นรสหรือผดธะพากเข้าไปใกล้อนุปสัมบัญผู้ถูกทําให้ตกใจนั้นจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามต้องอบัตทุกกฎอุปสัมบัญต้องการจะทําให้อนุปสัมบันตกใจบอกทางกันดันเพราะมีโจรกันดันเพราะมีสัตว์ร้ายหรือกันดันเพราะมีปีศาจอนุปสามบัญผู้ถูกทําให้ตกใจนั้นจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามต้องอบัตทุกฎ อนุปัสมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปัสมบันต้องอบัตโทกต์อนุปัสมบันฑภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตโทกฎอนุปัสมบันภิกษุสําคัญว่าเป็นอนุปัสมบันต้องอบัตโทกฎ